ลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้อยู่เพียงเท่านี้ยาคาดยาหมายความคาดความหมายไม่อยังผลอะไรให้เกิดขึ้นนอกจากวงปัจจุบันที่รู้กันอยู่ระหว่างลมกับสติที่รับรู้กันอยู่เท่านั้นนั่นคือความถูกต้องให้จริงจังลงจงุด่นนี่เป็นขั้นหนึ่ ง, งการทำจิตให้สงบยาเสียดายอารมณ์ใด ในขณะที่กำลังทำงานอยู่เวลานั้นความคิดความปรุงเคยคิดเคยปรุงมามากต่องมากแล้วพนานาไม่ได้แม้ภายในชั่วโมงหนึง่งเราอย่าพูดถึงปีถึงเดือนที่ผ่านมาเลยแล้วได้ผลไดป้ประโยชน์อะไรอยากความคิดปรุงหลมหลงแรงแรงดังที่เคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานต่างหากไม่ใช่เรื่องของธรรมธรรานิยมไม่ได้ผลบัดนี้จะให้จิตทำงานในด้านธรรมะ คำบริกรรมถ้ามันยังคิดออกไปได้เอาคำบริกรรมให้ถี่ยิบเข้าไปอย่าให้มีช่องบ้างเลยทำการต่อสู้กันอย่างนั้นจริงๆรางการกำหนดลมก็เช่นเดียวกันเมื่อความรู้อยู่กับลมโดยสม่าเสมอไม่ปล่อยไม่วางซึ้นกันในกันแล้วลมก็จะปรากฏเป็นความละเอียดเข้าไปเพราะใจพาให้ละเอียดนี่ก็อธิบายถึงที่สุดของลม มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนถึงกับว่าลมได้หายไปจากความรู้สึกเหลือแต่ความรู้รุนร้วนเนี่ยเป็นดังนั้นจริงๆในภาคปฏิบัติเมื่อยังเหลือแต่ความรู้รุนร้วนเราก็ไม่ต้องวิตกวิจารกับลมว่าหายไปไหนกลัวจะเป็นจะตายเราไม่ภาวนาเอาลมหายไปไหนก็หายไปลม เราภาวนาเอาความรู้คือจิตนี้ต่างหากเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อตามรอยโคไปถึงตัวโคแล้วลมก็รอยของโคก็หมดปัญหาไปการกำหนดลมก็เมื่อถึงตัวจริงคือความรู้แล้วลมก็หมดปัญหาไปความรู้มีอยู่อยู่กับความรู้นั้นไม่ตายแม้ลมจะหายไปในความรู้สึกแต่จิตยังคลอง ล, ล่างอยู่แล้วไม่ตายไม่ต้องไปกังวล ให้อยู่กับความรู้นั้นจะละเอียดขนาดไหนก็ให้อยู่ตามความจริงของความรู้นั้น <c oughs> อย่าไปปรุงไปแตะไปหมายว่าอยากไปละเอียดไปให้รู้อยู่จำพาะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาในวงปัจจุบันนี่การาพิจารณาเพื่อความสงกถึงเวลาหรือระยะที่จะพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็แปลว่าความเห็นแจ้ง ความเห็นธรรมนาล้วมันเห็นด้วยความมืดบอดเห็นด้วยสัญญาอารมณ์เห็นด้วยความจอมปลอมเห็นรูปเห็นกายมอง ด, ด้วยตาเนื้อเมื่อใจมันมันปลอมเมื่อใจมันมืดแล้วมันก็ไม่เห็นความจริงดูร่างกายนี้ก่อนหนังผมขนเล็บฟันหนังดูมันก็ไม่เห็นมีอะไรหนังนี่ที่ใครใครก็มีทั้งหญิงทั้งชายทั้งเฒ่าแก่ชรา ข, ข้ามั้ มันี้ด้วยการชุนตลอดถึงสัตว์มันก็มีมันพิเศษวิโสอะไรกับหนังความที่ว่ามันสวยมังามน่ารักใช่ชอบใจนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมมาหลอกต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงแท้มันหาความสวยความงามไม่ได้ถ้าจะเอาความจริงนี้ไปลบล้างความจอมปลอมนั้นก็พิจารณาลงไปสิหลักความจริงคือสุภะอสุภัง ปิจูณโสโครกมันเต็มหมดทั้งร่างกายนี้แล้วความที่ว่าสวยงามมันเอามาจากไหนหาแล้วมันไม่เจอมันมีแต่ควของปิจูนโสโครกทั้งภายนอกภายในต้องชะต้องล้าต้องอักต้องอับต้องสงอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นดูไม่ได้นี่ความจริงทำไมจึงเชื่ อ, อนั่งหนาเชื่อเกลียด ม, มันสวยมันงานมันจีรังถาวรวม่ให้ความสุขกายนะให้ความสุขที่ตรงไหน ไม่เห็นปรากฏว่ากายมีความสุขเลยนอกจากมันไม่เป็นโรคอะไรมันก็อยู่เฉยๆธรรมดาแต่เรื่องของความทุกข์นั้นเด่นมากความสุขมีนิดๆเช่น น, นิ้วข้าวพอรับทานอีกแล้วก็มีความสบายขึ้นมาเพิ่จากนั่นก็เสมอตัวมีพิจนารณาตั้งกายก็ให้เป็นอย่างนั้นบางคาักิจให้ท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐานเนี่เนี่ยท่านมะเที่ยวกรรมฐานทเที่ยวกรรมฐานภายนอก ตามป่าตามเขาลำนาไพรก็เที่ยวไปแต่จิตแม่และก ร, รมฐานภายในคือท่องเที่ยวอยู่ในสกุลกายอันเป็นหลักใหญ่ของสัจธรรมและสิ่งนี้แลเป็นเครื่องปกปิดกำบังบุรุษตาฟ่างใจโงกเขา่าไม่สามารถมองเห็นความจริงได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนทำให้ลงสู่ความจริงนี้มอบเจียศาลมานะขาทันตาแตจูเป็นต้นให้พิจารณาพี้า ค, คายสิ่งเหล่านี้ทำไมจึงหลงลนักหนา ตาก็มีอยู่ไม่ใช่คนตาบอดหูก็มีอยู่ทุกจมูกก็มีอยู่ควรจะเห็นควรจะรู้ควรจะได้ยินควรจะสัมผัสสัมพันธ์ทั้งกิ่นทั้งอะไรของหมัดแต่ทําไมมันจึงไม่รู้ไม่เห็นทําไมมันถึงไปเชื่อแบบด้นด้นเดาเดาเกาหมาัดไปเช่นนั้นซึ่งหาความจริงไม่ได้เลยพิจารณาลงไปแล้วยึดหาอะไรพูดถึงเรื่องธาตุดินยึดมันอะไรดินก็รู้ว่าดินอยู่แล้ว น้ำก็รู้ว่าน้ำแล้วยึดมันเป็นสัตว์เป็นโมกุลเป็นเราเป็นเขาได้ยังไงดินเป็นสัตว์เป็นโมกุลเป็นเราเป็นเขาเป็นหญ้งเป็นฉายได้ยังไงลมก็รู้อยู่แล้วว่าลมจะให้เป็นสัตว์เป็นโมกุลเป็นเขาเป็นเราเป็นของสวยของงามได้ยังไงหายมีแต่สิ่งรู้อยู่เห็นอยู่ชัดๆนี่แล้วไปหลงกลของมันได้ยังไงหลงกลของจิตวันนี่คือสัตว์ดินนี่คือสัตว์ดินน้ำนี่ คือสัตว์คือบคุคคลลมไฟคือสัตว์คือบคุคคลคือเขาคือเราคือหญิงคือชายคือของสวยของงามน่ารักให้ชอบใจรักให้ชอบใจอะไรกับดินน้ําลงไปแยกแยะดูให้มันเห็นชัดเจนถ้าพูดถึงเรื่องปฏิกูลร่างกายไหนร่างไหนจะไปปฏิกูลมากยิ่งกว่าร่างมนุษย์เราดูลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเด่นกว่าเขาทั้งนั้นถ้าเป็นของปฏิกูลแล้ว แล้วทําไมจึงต้องละต้องสอบต้องกําหนัดยินดีอนั่งหนา น, นี่เป็นเรื่องของกิเลสกล่อมใจหลอกอย่างนี้เรายังเชื่ออยู่เลยเอาทําเข้าไปเป็นคู่แข่งมองทะลุเข้าไปหาความจริงบ้างด้ยอย่างน้อยบ้างซะก่อนต่อไปนั้นก็มองให้ทะลุปุโปร่งลงไปจนกระทั่งอายตัวเองมาสามายึดมาถือมาสําคัญนั่นหมายถึงนี้ว่าเป็นนั่นเป็นนี้ เมื่อวลาพิจารณาเข้าสู่ความจริงแล้วมันหาความเป็นนั้นเป็นนี้ดังที่เคยเป็นมาที่สําคัญมานั้นไม่มีเลยออืมันก็ละอายตัวเองเลิพอปัญญาอย่างทราบตรงไหนมันรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนมันปล่อยวางไปโดยลําดับถ้าปัญญายังไม่เข้าถึงความจริงไม่เป็นความจริงเมื่อไหร่มันยังไม่ปล่อยเพราะมันยังไม่รู้จริงเห็นจริงมันก็ไม่ปล่อยได้เมื่อังถึงความจริงแล้วมัดไว้เท่าไหร่ก็เถอะ ยังไงก็กระเดนผงไปเลยเจ้าพึงไม่มีเหลือขาดกระจายไปเลยอะไรมามัดไม่ได้มัดจิตนี่ขอให้ปัญญาได้ฟันขาดกระจายไปเถอะมันจะดีดตัวของมันขึ้นมาทันทีพิจณาให้ถือเป็นการเป็นงานทบทวนข้างบนข้างล่างภายในภายนอกตลอดตัวถืนถือเป็นการเป็นงานจริงๆอย่าไปกำหนด เทีย่ยวแห่งการพิจารณาเอย่าไปนนับว่าพิจารณาเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งไม่สําคัญยิ่งกว่าการพิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงนี่คือความจริงแท้เอาให้เห็นเอาให้รู้พิจารณาจนทานานหลายครั้งหลายผลก็เด่นเขาที่ขึ้นไปเองเด่นไปเองเด่นไ ป, นไปความจอมปลอมทั้งหลายที่เคยจีกสรรปั้นยอเอาไว้มันก็จางไปจางไ ป, ไปสุดท้ายก็หมดไปไม่กล้าเข้ามาแทรกความจริงนี้ได้เลย นั่นท่านว่ารู้จริงรู้อย่างนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตาดปปัดภพตัดชาติท่านตัดเข้าที่ตรงนี้สอนท่านก็สอนอย่างนี้อันไหนที่ยา ก, กควรพิจารณาได้ง่ายเหมาะกับกำลังสติปัญญาของเราท่านก็สอนตอนนี้ก่อน เป็นร่างกายเป็นของหยากแม้เช่นนั้นมันก็ยังหลงคือต้องสอนมาส่วนร่างกายนี้ก่อนเห็นท่านมอบธรรมฐานห้าเป็นต้นให้เมืเมื่อพิจารณานี้มันก็กระจายไปเองอาการสามสิบสองไม่ต้องบอกลุกลามไปหมดซึมซาบไปหมดเข้าใจหมดปล่อยวางได้ทั้งหนังเมื่อปัญญาได้ออแฝกลงไปจนตลอดทั่วทั้งแล้ว เวทนามันมีอยู่ในกลายนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึ่งกลายก็เป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นความจริงอหนึ่งแต่เมื่อเราไม่ทราบว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างอันต่างเป็นความจริงของตัวเองเราก็ไปเอาทั้งสองอย่างนี้มามัดเท่าเดียกันมาเป็นเราเป็นของเราด้วยกันเวทนาคือความทุกข์เป็นต้น มันก็เป็นความจรินของมันอันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์ด้วยแล้วมันไม่ทราบว่ามันให้ความทุกข์แก่ผู้ใดด้วยไม่ทราบความหมายในของตัวเองด้วยกายก็เหมือนกันอานพิจนาเวทนาแยกแยะกันงนั้นหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นของจริงตามสภาพของตัวเวทนามีทุกขเวทนาเป็นต้นที่ปรากฏขึ้นจากร่างกายนี้มันก็เป็นความจริงของมันอันถ้าเราจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับ ฟืนกับไฟที่เผาไหม้กันนั่นแหละเพราะอย่างยิ่งเราเผากรไไฟดูสิเสียงระเบิดตูตมตามๆเหมือนกับมีจิตมียินอย่างเหมือนเสียงร้องเสียงข่าวไปแล้วทีนี้ฟืนมันรู้ไฟไหมฟืนก็ไม่รู้ไฟไฟก็ไม่รู้ฟืนพอเมื่อประกอบกันเข้าแล้วมันก็ไหม้ของมันไปอย่างนั้นเสียงระเบิดตูมตามตๆ ดูแล้วเหมือนกับมียิยงหยาดมันไม่มีปืนก็ไม่ทราบความหมายทั้งตนและไม่ทราบเรื่องของไฟไฟก็ไม่ทราบความหมายของตนความร้อนก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบเรื่องของฝืนด้วยผู้ทราบก็คือผู้เราผู้ดูไฟกำลังไหม้ปืนอยู่นั้นนี่ผู้ทราบก็คือจิต ระหว่างร่างกายกับทุกขเวทนามันเผาไหม้กันเช่นเดียวกับฟืนและไฟเผาไหม้กันนั่นแหละมันไม่ทราบความหมายของมันทั้งสองอย่างนั่นแหละยึด ต, ต่างหากเป็นผู้ไปทราบแล้วผู้ทราบแล้วกับยึด ต, ต่างหากเป็นผู้ไปหลงยึดสิง่งนั้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นความร้อนของระหว่างร่างกายกับใจซึ่งเป็นความทุกข์อยู่แล้วก็ยังไม่พอยังต้องเอาความทุกข์ร้อนผ่านา จ, จิตใจเพราะความรุ่มหลง ไปเกอบโกยหรือแบกหามอกทั้งร่างร่างกายทั้งความทุกข์นั้นมากมาว่าเป็นตนเป็นของตนเขาอีกยิ่งเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนักมากยิ่งกว่าทุกเวทนาทางร่างกายซะอีกนี่ความหลงมันทําให้เป็นพิเป็นภัยจึงกระหนั้นาท่านจึงสอนให้พิจารณาแยกแยะเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ยิ่งเวลาทุกเวทนาข้าสาหาัสมากเพียงไหลนั่นแลเป็นเวลาที่ สติปัญญาจะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อเอาตัวรอดคนเรายอมจนกรอกเมื่อไหร่เมื่อถึงค่าวจนกรอกแล้วความฉลาดเพราะความดิ้นรนของสติปัญญามันหากช่วยตัวเองเน็ดลอดไปได้และรู้แจ้งความจริงทั้งหลายก็รู้ในเวลาจนกรอกนั่นเองดึงขอให้ทราบไว้ทุกๆองค์ด้วยว่าคนเรานั้นมาได้โง่อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงค่าวจนกรอกจนมุม แล้วอัตตาหิอตโนนาโถความพึ่งตนเองนั้นจะปรากฏขึ้นใหม่เพราะตอนนั้นเวลานั้นเราจะไปร้องครางให้ใครมาช่วยเราเราเป็นผู้แบกทุกข์อยู่เต็มตัวของเราอุบายวิธีสติปัญญาที่มีมากน้อยซึ่งเราจะพยายามตะเกียากตะกายให้เล็ดลอดออกไปได้ด้วยอุบายใดมันเป็นเรื่องของเราต่างหานั่นแหละเมื่อถึงขั้นนั้นแล้ว ัอตาหิจโนนาโถก็เด่นขึ้นมาเองและได้รู้ได้ชัดด้วยว่าอ๋อคำว่าอัตาหิจโนนาโถนั้นเป็นอย่างนี้เองเหรอนะเป็นอย่างนี้เองแหละพระพุทธเจ้าท่านก็สอนมาแล้วว่าตุ้มเฮกิจังอาตัังอาคาตารตถาตตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อถอดถอนตัวเองจากพิเลธทั้งหลายนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะถึงตาเอง พระพุทธเจ้าท่านหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นนั่นท่านก็ บ, บอกไว้แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าอีกอัดติหิตนนาโตจึงเป็นเรื่องของเราจะต้องทำเองแค่รู้ผลของตัวเองด้วยในเวลากัดทำนี่เราห่วงอะไรเวลาเราห่วงอะไรสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จะพัดผ่าผันแปรไปไหนถ้าพูดถึงโองคําพัดผาผันแปมันก็เป็นอยู่ตลอดเวลาแล้ว แ ล, แล้วยังหึงยังหวงอะไรอีกจะ อ, อะไรมาเป็นสาระคุณตั้งหลับเหล่าได้อีกเพราะการคิดการหึงการหวงการห่วงการใยเหล่านั้นมันไม่มีอะไรมีแต่ลมลมแรงแร ง, งด้วยอํานาจของกิเลสมันกล่อมท่านั้นจึงต้องให้หนักแน่นในธรรมเพื่อเป็นเครื่องฉุดลากออกจากความลุ่มหลงเพ่งของกิเลสทั้งหลายเหล่านี้นเอาให้จริงให้จังอย่าทำแล้วหล่อแหลก เห็นกองทุบประหนึ่งว่าตุกตาเป็นเครื่องเล่นทุกมันเป็นตุกตาเมื่อไหร่คายเคยชินต่อไปยี่เข้าเมื่อไหร่โดดเมื่อนั้นนี่ทุกก็เหมือนกันเจอเข้าเมื่อไหร่ก็เอาเถอะไม่ว่าจะเจอทางร่างกายและจิตใจมันเป็นสิ่งที่เคยชินต่อกันไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังจะนอนใจอยู่หรอพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงว่าทุกนี่เป็นทุกจริง สุขนี้เป็นสุขจริงความติดอยู่ในกิเลสเป็นความทุกข์มากมายเพียงไลพระพุทธพระองค์ก็เคยผ่านมาแล้วเคยรู้มาแล้วเคยถูกมาแล้วการผ่านพ้นกับสิ่งเหล่านี้เป็นคุณขนาดไหนพระองค์ก็ประกาศทำให้เราทั้งหลายได้ทราบมาเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วยังไม่ถึงใจของพวกเราอยู่เลยนะการจมอยู่ใน กองทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันทวงให้ล่มให้จมลงไปเราวยังไม่คิดเห็นโทษของมันแล้วเราจะเห็นคุณค่าของทําได้ที่ตรงไหนทําทั้งหมดนี้เป็นเครื่องปลุกใจเราให้ตื่นจากหลับคือกิเลสพาให้หลับพาให้งมงายแต่กิเลสเองไม่ได้งมงายตัวเราผู้ถูกกิเลสกดขีบ่บังคับ ยิเ่เด็ดกล่อมนั่นแหละมันงมงายทำท่านตุกให้ตื่นอยู่ตลอดเวลา<ม>ชาติชาติไม่เป็นเครื่องตื่นจะเป็นอะไรนั่นปัญญาพิจณาสอบสองฮาช่องแก้ช่องปลดตนเองเพื่อความเล็ดลอดไปได้เป็นลำดับลำดาญานอนใจกับปา่าช้าอันเป็นความเกิดตายหญิงนีท่อมๆสักๆไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนตายมีนักเลย การหลุดพ้นไปเสียจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นเป็นเรื่องวิเศษจิตที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสกับจิตที่พ้นอานาจของกิเลสเหนือกิเลสแล้วมีความรู้สึกต่างกันอย่างไรนั่นเพราะฉะนั้นความรู้สึกของพระพุทธเจ้าผู้ค้นกิเลสแล้วแล้วความรู้สึกของพระอระหันต์สาวกอรหันต์ทั้งหลายผู้ค้นกิเลสแล้วจึงไม่มีอะไรจะเทียบจะเปรียบ จิตที่จมอยู่ในกิเลสนี่เป็นยังไงคิดดูอย่างนักโทษแม้แต่นอนหลับอยู่ก็ยังต้องมีผู้ควบคุมเราอย่าว่าเวลาตื่นเลยประกรอบหน้าที่การงานรับทานอาหารเคลื่อนย้ายไปมาที่ไหนก็มีผู้ควบคุมอยู่ตลอดเวลามันเป็นความสุขแล้วเหรอการอยู่ใต้อำนาจแห่งความกดขี่บังคับของการควบคุมนั้นก็นีกิเลสมันควบคุม กดขีบังคับอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นอิสระที่ไหนได้ทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่นั่นแหละก็เหมือนนักโทษมันก็ไม่ใช่คนตายมันก็รู้อยู่นั่นแหละแต่ความรู้นั้นก็ก็รู้เฉยๆไม่อามีอำนาจที่จะพ้นจากความเป็นนักโทษไปได้มีความรู้ของคนที่มีกิเลสก็เหมือนกันจะรู้ขนาดไหนก็อยู่ใต้อำนาจของกิเลสมันเป็นความสุขความอิสระที่ไหนเป็นความสะดวกสบายได้ที่ไหน การหลุดพ้นไปเสียเท่านั้นและการปราบปรามสิ่งที่มีอานาจมากภายในจิตใจลงด้วยธรรมเท่านั้นเดิงจะเป็นความรู้ที่เด่นเป็นความรู้ที่อิสระเป็นความรู้ที่อ ง, งาอาจกล้าหาญเลยสมมุติทั้งปวงนั่นทํที่เรียกว่าปรมามังสุขขังกองอาฆาตมันก็เป็นปรมามังทุกขงัง อยู่าน้าตามหน้าของกิเลสคือปรมังทุกขังของใจการปราบกิเลสให้เรียบหน้าไปหมดตัวประการทั้งปวงนั่นคือปรมังสุขขังปรมังทุกขังนี่คล้ายๆก็เคยแบกเคยหามาแล้วเคยโดนมาแล้วส่วนปรมังสุขขังนี้ไม่เคยทําไมจึงไม่ยากปรมังสุขขังบ้างปรมังทุกขัง มีรถมีชาติอย่างไรมีความสุขความสบายอย่างไรบ้างก็ฟังแต่ว่าปรมาทุกขงังอย่างไรเราสงสัยที่ตรงไหนเราจมอยู่กับความทุกข์มาไม่มีเวล่ำเวลาตลอดมาจนกระทั่งตอนนี้ยังไม่เฉลิบแล้วเราจะเอาความเหลับมาจากอะไรถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าดําเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนเพราะพระองค์พ้นไปแล้วมาดําเนินในเรื่องของเราให้ผ่านพ้นไปได้ เราจึงจะเป็นอิสระความเป็นอิสระของจิตไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยจะหาอะไรมาเทียบไม่ได้ท่านพูดได้เพียงว่าปรมังสุขขังแม้มีท่านมียังทรงท่าทรงขันดูก็ต่ า, ตามจิตใจนั้นก็เหนือสมมุติทั้งมวลดูตลอดเวลาอาการิโกและทุกตัวไหนจะเข้าไปแทรกได้เพราะคาว่าทุ ก, ก็คือสมมติทั้งมวล ผ่านพ้นสมมุติไปแล้วยังจะไปเกอกทุกได้ยังไงสำหรับจิต ท, ที่บริสุทธิ์แล้วนอกจากขันซึ่งเป็นตัวสมมติก็ยําเป็นต้องเป็นปายตามสภาพของมันดังพระพุทธเจ้ากระชวนมันก็เป็นทุกข์ในธาตุขันผมก็หายน้ำรับสั่งให้ผ้าหนุนตักน้ามาให้เสเวยนั่นก็คือเรื่องของธาตุของขันไม่ใช่เรื่องของยิสุทธิจิต ทาอานนท์ไปตักน้ําให้เราดื่มหน่อยเวลานี่ตาคตเพียบเต็มที่แล้วแล้วตาคตอ่อนเพียรให้ ล, ลาดสังคารต่นี้่ตาคตจะพักผ่อนกันหน่อยคําว่าตาคตนี่ก็หมายถึงธาตุถึงขันอานนท์ไปตักน้ํามาเติมรถนี่หน่อยรถนี่มันหมดน้ํําน้าแล้วอน้ํามาเติม แล้วพักเครื่องมันหน่อยนะผู้ขับรถไม่ได้เป็นอะไรรถต่างหากมันไปนนคำมัติฐาโคตที่แท้จริงก็คือพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นเหมือนกับคนขับรถประคองร่างนี้ไปพอถึงที่ที่จะตรงมันคื อ, อเมืองกุจินารายังไม่ถึงเนี่ย มันจะบรรลัยไปซะก่อนแล้วจะแตกจะพังซะก่อนแล้วอ่าศรีระนี้จึงต้องเยียวยาไปพอถึงกาล น, นี่ต่างหากที่ว่าเราก็หายขหา็หมายถึว่าความบกพร่องของธาตุมันต้องการน้ำทุ ก, ก็คือขันทุกขเวทนามันอยู่ในขันต่างหากไม่อยู่ในวิสุทธิจิตไม่อยู่ในความบริสุทธิ์ของใจจะเอาอะไรไปทุกตรงนั้น คำมาตฐาคตหิวธาเาายหมายถึงร่างของสถาคตต่างหาไม่ได้หมายถึงพระจิตของสถาคตอันเป็นองค์ศาสดาหรืออันเป็นธรรมดวงเลิศอย่างแท้จริงนั่นหลยมีเรื่องทา่าเรื่องขันเป็นอย่างนี้มันเป็นได้ด้วยการไม่ว่าเพราะพระราหารันไม่ว่าคนมีกิเลสมันพอๆกันเหมือ น, อนๆกันมีความทุกข์ความสุข เก็บไข้ได้ปวดเป็นหม้อจวร้อนเป็นธรรมดาอันนี้ยอมรบับเพราะธาตุขันนี้เป็นสมมุติเรื่องความทุกข์ความลำบากซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันก็เข้ากันได้สนิทแต่จฤฤิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยกคงเนความหมายถึงความเป็นอิสระของจิตอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ นั่งอยู่ที่ไหนก็ให้มีสติเรียบบทต่างๆอย่าได้เผลออย่างน้อยให้มีสัมปัตชัญญะคือความรู้สึกอยู่ในตัวจะเป็นวงกว้างหมดทั้งกายก็ตามก็คือสติเป็นสัมปัตชัญญะถ้าจดต่อพิจารณารู้อยู่จนพเอจนพาะเรียกว่าสติสัมปัตชัญญะก็คือความรู้ในวงกว้างประจําตนเรียกว่าสัมปัตชัญญะนี่แหละเป็นเครื่องบํารุง ให้มีกําลังสติเมื่อได้รับการบํารุงอยู่เสมอจะมีกําลังปัญญาเมื่อใช้าการพิจารณาอยู่โดยสม่ําเสมอก็จะมีกําลังและคล่องตัวไปเช่นเดียวกันสุดท้ายก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไปได้โดยไม่ต้องสงสัยทางขั้งพุทธการท่านบอกมหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปโดยไม่ต้องบังคับบังชาวไม่ต้องถูต้องไถเหมือนอย่างขั้นเริ่มแรกที่กําลังตะเกียบสกาย เนื่องจากในเวลานั้นจิตยังไม่เห็นผลแห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นบ้างเลยเช่นสมาธิก็ยังไม่ปรากฏผลของการตัดวิเลตประเภทต่างๆพันด้วยอํนนานาจของปัญญาภายในใจก็ยังไม่ปรากฏจึงไม่มีแก่ จ, จิตใจแก่ จ, จิตใจที่จะประกอบความเาพ่เพียมไปโดยลาําตังโดยไม่ต้องบังคับจําต้องบังคับอยู่โดยดีในขั้นเริ่แมแรกแต่พอเห็นผลขึ้นไปโดยลําดับแล้วจิต ก, ก็มีกําลังใจ พุดง่ะมีกำลังมีแก่ใจความเชื่อก็ปรากฏเด่นชัดประจกักษ์นความภาคเพียรจะไปไหนก็มาเองสติปัญญาเมื่อนนำา อ, อกไปใช้หลายครั้งหลายลุนก็เห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายของกิเลสอาสวะตลอดของของธรรมเห็นไปพร้อมๆกันนั่นแหละยทำให้มีแก่ใจเกิดความรักใคร่ชอบใจในความภาคเพียร สันทะคือความพอใจโดยหลักธรรมาชาติเพราะถือผลเป็นเครื่องดึงดูดแล้วจิตก็ค่อยหมุนตัวไปคำว่าปัญญาพิจารณาร่างกายนี้เป็นปัญญาที่ผ่านผลเมื่อถึงขั้นผ่านผลและผ่าผลมากทีเดียวพิจารณาทางร่างกายแล้วถึงจะรวดเร็วก็รวดเร็วด้วยความผ่าผลเพราะกายเป็นส่วนหยาบปัญญาที่พิจารณาส่วนร่างกายนี้ แม้จะเป็นปัญญาที่รวดเร็วทันใจก็ผ่าผนผิดกับพอผ่านนี้ไปแล้วคำว่าผ่านนี้ไปแล้วหมายถึงว่าการพิจารณาร่างกายนี้รู้รอบขอบคิดหมดด้วยความจิ่นอย่างทราบด้วยปัญญาไม่สงสัยต่อยวางอุปทานความยึดมั่นือกายเสียได้โดยธรรมชาติทั้งตัวเองที่รู้รอบแล้วนะจากนั้นก็หมุนเข้าสู่นามธรรมาโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับรูปธรรมเลย ไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในคือร่างกายตัวเองก็ไม่สนใจแล้วหมุนตั้งแต่เรื่องของนามธรรมได้จากพวกเวทนาแม้จะเกี่ยวกับร่างกายพิจารณาเวทนานี้ก็หมุนเข้าไปสู่ใจที่หนักเข้าไปกว่า น, นั้นก็คือสัญญาสังขารความคิดความปรุงของใจความหมายของใจซึ่งยิบยักยิยับยับกระเพื่มกระเพื่อมกระเพื่อม อ, อ, อยู่ภายในจิตนั่นแหละที่นี่เป็นสนามรบขยับเข้าไปเรื่อยๆ สนามลบทางร่างกายก็ทราบกันแล้วเลิกแล้วสนามนี้เข้าสู่สนามอันละเอียดสติปัญญาอันละเอียดพอกันพอพอกันขึ้นน้าเข้าไปอันไหนมันก็เหมือน ก, อก응อันอีเรื่องอันนี้กลางทุกขังาตามัมนตามออกไปได้ทุกระยะระยะเว้นแต่คำว่าสุภาพ น, นั้นเพราะนั้นเป็นนามธรร ม, าามไม่เกี่ยวกับเรื่องสุภาอสุภาพ หรือมีตั้งแต่ความรู้กับความกระเพื่อมของตัวเองกระเพื่อมไปทางไหนกระเพื่อมไปทางรูปทางเสียงรูปเสียงเลยไม่ถือเป็นสาคัญยิ่งกว่าความกระเพื่อมนั่นเมื่อถึงขั้นแล้วนี่แล้วความกระเพื่อมนี่แหละคือตัวก่อดเหตุมันจะรู้ทันทีทันทีและพอรู้ทันทีก็ดับกันไปโดยลําดับรู้อะไรก็ดับสัญญาความหมาย มันจะซ้าดออกไปไหนมันก็รู้แต่ก่อนไม่รู้จนกระทั่งไปเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วแล้วก็ไปหลงภาพมานั่งเหมือนกับวาตุุกตาหล อ, อกตัวเองทั้งทังที่ออกไปจากใจนี่แหละสติปัญญาไม่ทันไม่รู้แต่พอทันแล้วเท่านั้นรู้หมดเนียเราจะเอาสาระอะไรเราจะจะพิจารณาหาความจริงความคิดคิดดีคิดชั่วมันดับด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะคิดประเภทใดเป็นดับ ความจำประจําอะไรมันก็ดับสัญญาสังขารยิญญาณความรับทราบมีในเรื่องเกิดเรื่องดับมันเรื่องสาระอะไรที่จะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันใค่ควรมันพินี้ปีชนมันรู้ของมันมีในเรื่องของจิตที่แสดงอาการยิบยับมันออกมาจากจิตตามเข้าไปนี่แหละที่ว่าเชื้ออยู่ที่ไหนไฟจะไหม้เข้าไปที่นั่น เชื้อคือกิเลสมันอยู่ที่ไหนสติปัญญาจะหมุนตัวเข้าไปที่นั่นเอาให้เข้าใจเข้าใจเข้าใจปลอยว่าหรือว่าเข้าใจตรงไหนสังหารกันที่นั่นก็ถูกสุดท้ายคำว่ากิเลสทั้งมวลนั้นมันอยู่ที่ไหนมันก็รู้ได้ชัดมันไม่ได้อยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันอยู่กับจิตที่ไปเกี่ยวโยงกับกิ่นนั้นเพราะความไม่รู้ต่างหาก เมื่อพิจารณาคลี่คลายสิ่งนั้นแล้วจิต้ายสงสัยหายสงสยั ย, สงสยแล้วปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงร่างกายเจ้าของว่าพิจารณานี้ก็หายสงสัยแล้วปล่อยเข้าไปนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปคือรู้เท่าแล้วปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหลายเหล่านี้ขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือขันห้าแนี่ยรู้เท่าปล่อยวาง อะไรที่เป็นตัวการสํามัญของกันห้าอาวิชชาปัญญาสร้างข้าราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิต น, นั่นที่นี่ที่เหล็รวมตัวแล้วเข้าไปจุดเดียวเนี่ยการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วหมุนเข้าไปกระทั่งถึงจิตแต่จิตประเภทที่มีอวิชชานี้เป็นจิตที่สง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญทั้งความผ่องไสทั้งความองอาจกร้าหาญทั้งความคึกขนองของตัวเอง ด้วยความอาถาร น, นั่นแหละเป็นนิสัยของจิตประเภทนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงถึงว่ามานะเก้ามานะเก้าอยู่ตรงนี้ท่านอธิบายไว้ในสังโยชน์เบื้องบนอรูปราคะนาดูปรารถนมานะอุทจฉ า, าวิชามานะนั่นนะความถือเนี่ถ้าถืออวิชาก็จิตที่กลมขึ้นไปอเดียวนั่นนะเข้าใจว่าเป็นตนเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราก็ยกอันนี้ขึ้นมาเทียบเทียง เหม line, bedeutet, ือนนั่งว่าองค์นั้นเป็นยังไงผู้นั้นเป็นยังไงอจิตเสมอเราหรือยิ่งกว่าเราหรือย่อนกว่าเราท่านถึงยกว่าสามสามเป็นเก้าอย่างเช่นเราเราคิดเราต่ํากว่าเขาสําคัญว่าต่ํากว่าเขาเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนคิดเราเสมอเขาสําคัญว่าต่ํากว่าเขาหรือเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนคิดเรายิ่งกว่าเขาสําคัญว่าต่ํากว่าเขาหรือเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนี่อาอันนี้เราออกเทียบเที่ยมมันเป็นเขี้ยวอ เที่ยงตอนนังแหลมคมเที่ยววิชามานะความถืออันนี้เองพ อ, อนี้สลายไปแล้วเอาอะไรมาถือเอาอะไรมาเป็นผ่องใสเอาอะไรมาเป็นเศร้าหมองเอาอะไรมาเป็นความมอาดกล้าหาญเอาอะไรเป็นมาเป็นความกลัวไม่ไม่มีนั่นจริงพอธรรมชาติมันมันสลายาตัวลงไปด้วยอำนาจของการพิจารณา แล้วสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สร้างปัญหาอยู่ตามภูมิของตนมันก็หมดไปคือภูมิละเอียดมันก็สร้างปัญหาอันละเอียดมันทิ่เรศห ย, ยาก็สร้างปัญหาอันหยาบขึ้นมาทิ่เรศละเอียดก็สร้างปัญหาละเอียดขึ้นมาที่เรศหมดไปแล้วไม่มีอะไรสร้างปัญหาหมดปัญหาดุลพการทั้งปวงหมดเหตุหมดปัจจัยของสมมุติที่จะสืบต่อกันแล้วครับเมื่อแต่ความรู้สึก ด, ด้วนๆความรู้สึกด้วนๆ เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปกับอะไรอสร้างปัญหาอะไรนั่นหมาหมดปัญหาหมดตรงนั้นพพชาติที่เคยเป็นอยู่กับจิตมากน้อยมันรู้มาโดยลําดั บ, ำบลำาจนกระทั่งเข้าจุบหรือว่ตั้งแต่เชื้อมันที่จะไปเพาะที่นั้นที่นี่เกิดมันก็เผากันลงที่นั่นด้วยตัปัตธรรมแลกแตกกระจายหมดแล้วพบชาติจะสืบต่อเป็นใครอีกมีไหมจะต้องไปถามใครเล่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ขตรงหน้าก็ไม่ถาม เพราะเป็นความจริงเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอจะถามกันท่านจะเรียกว่าสันทิฏิโกเห็นเองรู้เองอาจจังเวสจะโบวิญญุถ้าไม่ท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตนนั่นแหะคือท่านผู้รู้จากการปฏิบัติรู้เฉพาะไม่สาธารณแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ลงจุนั้น่ที่ว่าท่านบอกูุ้ตตังพระมาจดีอย่างเสร็จแล้ว งานอันฟ้าดินฟ้าถล่มนี่ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วดินฟ้าถล่มก็คือพบคือชาติก่อตัวขึ้นมาด้วยท่าสี่ดินน้ำลมไปหรือพบชาติประการใดมันก็เป็นเรื่องของส ม, มุดถึงว่าดินฟ้าถล่มความลงไปหมดนี่อะไรจะมามีอยู่ในกินั้นนั่นแหละที่นี่เอาดูที่นี่ดูกี่เลย เมือได้่าลงไปจากกิดดวงนี้แล้วอา้าวมันอยู่กับที่มันอยู่กับร่างใดกายใดกิริยาของใครแสดงมาไหนมันปิดได้เลยไหนนั้นรู้หมดนีเราที่ว่ากิเลสมันครอบหัวเราตลอดเวลาเราไม่รู้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพาระอรหันต์ท่านดูแล้วดูยากที่ไหนแค่นะยบเดียวท่านก็ขยะไปแล้วรู้รู้จนขยะจะวางไง ถ้าท่านจะขยันนะอืมเห็นพวกเรามันตามบอดต่อตาบอดอยู่ด้วยกันไม่รู้ทั้งเรื่องของเราไม่รู้ทั้งเรื่องของเขาไม่รู้ทังเรื่องคนอื่นต่างอันต่างไม่รู้แต่ก็เข้าใจว่าตัวรู้สําคัญว่าตัวรู้สําคัญว่าตัวดีนี่ก็ทะเลาะกันแล้วกัดกันเหมือนหมาน้นองตาไม่เห็นตาปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าภาษาของท่านมันไม่มี ที่เหนือมันต้องสำคัญตัวเสมอแล้วลท่าไรยิ่งสำคัญตัวว่าดีงที่เหน็อเป็นเช่นไงันไม่เคยลงลงกับความจริงคือทำไม่ยอมลงเพราะฉะนั้นลรามาปฏิบาตรเพื่อปราบสิ่งเหล่านี้อย่าให้มีพาณิจจ์ใจแให้แหลกแตกกระจายไปหมดดูสมัยเรืปอนตอนนี้